ถามว่าอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเราบางคนอาจจะนึกถึงปัญญานะความรู้ความสามารถบางคนอาจจะนึกถึงความจัดเจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆจะว่า ในความเห็นของอาตมาเนี่ยนะสิ่งที่บ่งชี้หรือแสดงความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนะก็คือคุณธรรมและในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายเนะี่ยที่สำคัญคือเมตตากรุณาความเมตตากรุณานี่มันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นมนุษย์ ในตัวเราอย่างอื่นนี่ก็สสำคัญนะแต่ว่ายัไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนเท่ากับเมตตากรุณาด้วยนี้ในเวลาเราพูดว่าเนี่ยคนคนนี้มีมนุษยธรรมเนี่ยเราก็ดูตรงที่ว่าเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนหรือเปล่า บางทีไม่ได้รวมถึงคนที่เดือดร้อนเท่านั้นนะแต่รวมถึงสัตว์อื่นด้วยนะที่ยากลำบากขเขาเมนุเชียทำเนี่ยมันก็จอดจงไปที่ความมีเมตตากรุณานะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจเอื้ออาทร เมตตากรุณาเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ตัวบ่งชี้ถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเราเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์ด้วยเพราะว่าเมื่อเรามีเมตตากรุณาอย่างมากเนี่ยมันก็หมายถึงการที่ ใจเราเนี่ยสมานหรือว่าประสานเป็นหนึ่งเดียวนะกับสรรพสิ่งผู้ที่มีจิตใจเมตตาหรือกรุณายังไม่มีประมาณเนี่ยใจเขาจะเชื่อมโยงยกับสรรพสิ่งอาจจะเรียกว่าในสาวลโลกเลยทีเดียวจนกระทั่งไม่มี เส้นแบ่งนะว่านี่เขานี่เราพอไม่มีเส้นแบ่งว่านี่เขานี่เราเนี่ยนะไอความสำคัญมันหมายว่าฉันเป็นมนุษย์หรือว่าเจ้าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งไร้ชีวิตนี่มันก็หมดความหมายความเป็นมนุษย์ที่สมบวก์คือการที่ใจเราเนี่ยนะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะกับสรรพสิ่ง ถึงตรงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเนี่ยคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ได้แต่ว่ามันก็ดูเหมือนขัดแย้งในตัวนะพะถึงตรงนั้นเนี่ยให้ความสคาคัญมากมายมาว่าเป็นคนเป็นมนุษย์มันก็หมดไปเพราะมันไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราอันนี้เรียกว่ามันเป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ ให้สมบูรณ์เลยทีเดียวจนกระทั่งหลุดพ้นจากความสำคัญบรดหมายในความเป็นมนุษย์แต่กว่าจะถึงตรงนั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราโดยการเสริมสร้างเมตตากรุณาให้จเจริญงอกงามมากขึ้นเนี่ย มันก็ทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการเกือกเก้อกูลผู้คนเกื้อกูลสรรพสัตว์ได้มากขึ้นไม่ตากรุณานี่จะว่าไปแล้วมันก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานเลยนะคุณธรรมพื้นฐานนี่ก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอาจจะเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ได้ บางทีเราไปคิดว่าเนี่ยคุณธรรมอย่างเช่นเมตตากรุณานี่มันต้องต้องสร้างขึ้นต้องปลูกฝังเหมือนกับที่เราเมื่อแพูดเนี่ยต้องปลูกฝังคุณธรรมในตัวเด็กในตัวเยาวชนที่จริงคุณธรรมอย่างเมตตากรุณานี่มันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังนะเพราะอะไรนะเพราะมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่หรือกวาดาอย่างเด็กทารกเนี่ยที่ยังไม่รู้ภาษาเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเด็กทารกอีกคนหนึ่งร้องเนี่ยนะขาะจะสนใจแล้วก็ไม่ใช่แค่สนใจต้นเสียงเท่านั้นนะแต่ยังรู้สึก กระสับกระสายความกระสับกระสายนี้ไม่ใช่เพราะลำคาญนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าไม่ค่อยสบายใจความไม่สบายใจนี้เกิดจากอะไรนะเกิดจากความรู้สึกเห็นใจอยากจะช่วยรู้ได้ไงรู้ก็เพราะว่าถ้าไม่สบายใจหรือว่าถ้าอถ้าโกรธเนี่ยถ้งหงุดหงิดถ้าําคาญเนี่ยก็ต้องพยายามหนีห่างจากต้นเสียง แต่เด็กทารกเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนหรือได้ยินเพื่อนร้องเนี่ยก็อยากจะคลานเข้าไปหาอันนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะช่วยแล้วถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยนะพอจะรู้ความเดินเป็นพอจะรู้เรื่องบ้างถ้าเห็นเพื่อนเดือดร้อนนะก็อยากจะไปช่วยเขาด้วยการเอาของที่ตัวเองชอบเนี่ยไปมอบให้กับเขา พ่อคิดว่าให้แล้วเขาจะหายทุกข์นะของไหนที่ตัวเองชอบเนี่ยก็จะเอาไปให้จะเป็นขนมเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นขนมที่ตัวเองชอบด้วยแต่พอรู้ความอีกหน่อยนะก็จะเปลี่ยนละไม่เอาของที่ตัวเองชอบแต่เอาของที่คิดว่าเพื่อนชอบนี่ไปให้พ่อคิดว่าเนี่ยให้แล้วนี่เขาคงจะสบายใจเปลี่ยนจากของที่ตัวเองชอบ มาเป็นของที่เพื่อนชอบอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะโดยที่ไม่มีใครสอนแม้กระทั่งพ่อแม่ที่พี่จะว่าไปแล้วเนี่ยสัตว์ก็มีนะสัตว์ก็มีคุณธรรมที่ว่านะโดยที่ไม่มีใครสอนเหมือนกันอย่างเราจะเคยได้ยินเรื่องราวหมาที่มันคาบเด็กอ่อนเด็กทารกที่เพิ่งคลอดนะ เอาไปให้คนซึ่งอาเป็นคนที่ตัวเองรู้จักหรือไม่รู้จักเด็กที่เพิ่งคลอดเนี่ยถูกทิ้งแล้วก็ร้องนะหมานี่สงสารหรือว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือก็เลยคาบนะเอาไปให้คนเพราะคิดว่าคนเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กทารกนะหายทุกข์ได้บางทีคาบไม่ได้ก็ลากเอาไปนะลากเลย ลากอย่างเคยมีคนทิ้งเด็กไว้ที่สวนสัตว์สวนสาธารณะนะหมาแม่ลูกอ่อนนี่มันได้ยินเสียงเด็กร้องนี่มันก็อยากจะช่วยนะลากลากเด็กไปให้ใครสักคนช่วยนสัตว์อื่นก็มีนะจะเป็นเตา่าจะเป็นปลาโลมาจะเป็นหนูจะเป็นแมวรือไม่แต่ไก่นะ แต่ว่าที่มันเด่นชัดที่สุดนี่นก็คือความเมตตากรุณาในคนเราสัตว์นี่ถ้าไม่มีเมตตากรุณานี่เราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าคนเราไม่มีเมตตากรุณาเนี่ยเราก็เรียกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์นะถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาแต่ถ้าขาดความเมตตากรุณาเนี่ยเราก็เรียกว่าไม่มีมนุษยธรรม หรือไม่มีความเป็นมนุษย์นี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรามักจะพูดกันเนี่ยคนที่เขาไม่มีความเป็นมนุษย์เลยแล้ว เ, เขามีเมตตากรุณาแต่ถ้าสัตว์นี่ไม่มีเนี่ยอันนี้ก็เราก็ไม่เรียก ว, ว่านี้เขาไม่ได้เป็นสัตว์นเียังเป็นสัตว์อยู่นั่นแหละแต่คนเรานี่ถ้าขาดเมตตากรุณาแล้วเนี่ยมันก็เรียก ว, ว่าไม่มีความเป็นมนุษย์หรือวความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์บกพร่อง าการที่มนุษย์เรานี่มีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานนี่มันก็เป็นพลังขับเคลื่อนนะให้คนเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจเรียกว่าเมตตากรุณาเป็นพลังนะในการขับเคลื่อนมันตย์ให้สร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นนะกับส่วนรวมก็ว่าได้นะคนเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนแต่มีพลังอยู่ในตัวนะ มีทั้งพลังลบและพลังบวกพลังลบก็จะเห็นความโกรธความเกลียดนะหรือความอิชฉาพยาบาทแต่พลังบวกก็คือความเมตตากรุณาอันนี้ก็อันหนึ่งนะพลังบวกมีหลายอย่างนะสมาธิสตินี่ก็เป็นพลังบวกแต่เมตตาก ร, กรุณานี่เป็นพลังที่สำคัญมากเลยนะในการขับเคลื่อนให้ เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องดีงามคนเวลานี้จํานวนมากเนี่ยคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะมีพลังให้ทําอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้ความโลภนะันต้องใช้ความอยากอย่างมักจะมีคำพูดว่าเนี่ยคนเราถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ ไม่มีเรล่ำแรงจะทำอะไรมันไม่มีพลังที่จะทำอะไรต้องมีความโลภนะมันถึงจะขยันทามาหากินหรือว่าต้องมีความอยากมันจึงจ ะ, ะลุกขึ้นมาทานั่นทานี้หรือบางคนก็ถึงขนาดบอกว่ามันต้องมีความโกรธนะถ้าจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันไม่มีความโกรธแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่เกิดพลังที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง แช่จริงแม่ตากรุณานี่มันก็เป็นพลังนะที่ขับเคลื่อนให้เกิดความดีงามได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญารู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบางทีก็มีคนพูดว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนว่าในเมือ่อพุทธศาสนาสอนว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรา แล้วจะทำสิ่งต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรือทำให้เกิดความดีงามได้อย่างไรอย่างมีคราวหนึ่งนะเมื่อสิบกับปีก่อนเนี่ยมีไฟไหม้มีไฟไหม้ในในป่าสุกโตนี่แหละเามาก็รณรงคพระนะให้ไปช่วยกันดับไฟ ก็มีภาพรูปหนึ่งท่านไม่สนใจนะท่านบอกว่าเนี่ยปล่อยวางแล้วป่าไม่ใช่ของเราอังท่านก็ไม่พูดเลยตรงนะแต่ท่านมาพูดภายหลังกับเพื่อนป่าไม่ใช่ของเราเพรา ะ, ะนั้นจะไปดับไฟทาไมมันก็จริงนะป่าไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าป่าก็เป็นที่อาศัยของสรรพชีวิต ถ้าป่าผูกไฟเผาพลานชีวิตต่างๆก็เดือดร้อนถ้าเราไม่ชีวิตต่างๆเดือดร้อนเราต้องไปช่วยเขาช่วยรักษาป่าตรงนี้คืออาศัยพลังของเมตตานะความเมตตาต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าไม่อยากให้เขาเดือดร้อนมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เรา ทำอะไรเพื่อช่วยรักษาป่านะมันไม่ใช่ว่าต้องป่าเป็นต้องเป็นของเราก่อนนะเราถึงจะไปช่วยรักษาปกป้องแต่ว่าความเมตตากรุณาเนี่ยมันก็เป็นพลังที่มากพอนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำสิ่งดีงามได้ให้กับผู้คนหรือว่าชีวิตต่างๆแม้จะไม่ได้ยิดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ตาม ในจริงเนี่ยเมตตากรุณานี่มันก็ไม่เพียงช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลนะสรรพชีวิตต่างๆได้เท่านั้นนะแต่มันยังเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยเมื่อแต่ก็ตามที่เรามีเมตตากรุณาเนี่ยใจเราก็สงบเย็นแล้วเมื่อเราออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ทุกอย่างเดือดร้อน เราก็พลอยมีความสุขด้วยอย่างที่พู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขแต่ว่าไปเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนความสุขนะแต่ยังช่วยบรรเทาความทุกข์ด้วยคนที่เขามีความเศร้าโกศกเพราะสูญเสียคนรักแต่พอได้ออกไปทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นออกไปเป็นจิตอาสาออกไปทำอะไรที่เป็นความดีงาม เพื่อให้ผู้คนเขามีความสุขเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยก็พล่อยคลายจากความทุกข์คลายความเศร้าโศกด้วยมีบางคนเนี่ยสูญเสียสามีสูญเสียลูกนในเวลาติดติกันเลยพอสูญเสียคนรักแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพราะไม่เหลืออะไรแล้วแต่และ ว, วันหนึ่งนะ ในขณะทีะ่กำลังมีความเศร้าโศกจนกระทั่งคิดถึงการฆ่าตัวตายก็ไปเห็นแมวผอมโซนะมันหนาวมันเดินตามเข้าไปจนถึงบ้านเธอก็สงสารนะอุ้มมันเข้าไปในบ้านแล้วก็หาอะไรให้มันกินเอานมให้มันกินเนาะมันกิน มันเลียนมจนหมดเลยแล้วก็มาพัานแข้งพันขาเธอเธอก็ยิ้มแล้วก็อดคิดไม่ได้เอ๊ะฉันไม่เคยยิ้มแบบนี้มานานแล้วนะแล้วก็ได้คิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าฉันยิ้มได้เพราะช่วยแมวตัวนี้เนี่ยถ้าว่าฉันไปช่วยคนที่เขามีความทุกข์เนี่ยฉันก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันแล้วก็นับแต่นั้นนะเธอก็เริ่มออกไปทำความดี เริ่มตนในการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่เจ็บป่วยเอาของไปให้เขาเขาดีใจเขามีความสุขเขายิ้มเธอเนเขายิ้มเธอก็พลอยยิ้มในใจแล้วก็พลอยมีความสุขด้วยแล้วก็เลยรู้ว่าโอการช่วยให้ผู้อื่นก็มีความสุขนี้เราก็พลอยได้รับความสุขเลยออกไปช่วย <c oughs> ออกไปทำความดีเพื่อผู้อื่นทุกวันทุกวัน สุดท้ายความเศร้าโศกมันก็จางคลายไปนะที่เคยนอนไม่หลับที่เคยยิ้มไม่ได้ก็เปลี่ยนไปที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีความคิดแบบนั้นเหลือแล้วกลับมามีความสุขเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นผลของเมตตากรุณานะเวลาเราไปช่วยใครเนี่ยมันก็คือการปลุกเมตตากรุณาให้ เบ่งบานขึ้นในใจเนพอเราลงมือทํานะก็มีความสุขเห็นเขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยให้ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็เหมือนกับ น, น้ําดีนะที่มันสามารถจะไล่น้ําเสียออกไปจากใจได้น้ําเสียที่ว่าคือความเศร้านะความหดหู่น้ําเสียเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาวิทยนะ เราแค่ปล่อยน้ําดีเข้าไปมันก็ไล่น้ําเสียออกไปความสุขที่เกิดจากการทําความดีหรือเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็เหมือนน้ําดีนะถ้ามีพลังมากพรอมก็หรือมีจํานวนมากพรอมก็ไล่ลความเศร้านะความหดหูความสิ้นหวออกไปอันนี้เรียกว่าความเมตตากรุณานี่มันช่วยเยียวยาใจได้ลนล้วยังช่วยลดความเหงาแก่ตัวนะ ช่วยความเห็นแก่ตัวทั้พวกเราเนี่ยก็ถ้ามีความเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีความทุกข์ได้ง่ายไม่พอใจได้ง่า ย, เ, ยเพราะว่ายิ่งมีความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งอยากพอยิ่งอยากก็ยิ่งปรารถนาที่จะรับที่จะเอาที่จะเอาให้ได้พอไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ แต่ถ้าความเป็นกระตัวน้อยลงเท่าไหร่นะก็เป็นคนสุขง่ายถ้าอยากมีความสุขก็นะก็ต้องลดความเป็นแก่ตัวและสิ่งที่จะช่วยลดความเป็นแก่ตัวได้คือเมตตากรุณาในพิธีอุปสมบทนะของวัดสำนักเซนแห่งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะเป็นการปุจชาวิสัชนาะระหว่างลูกศิษย์นะกับอุปัชา ลูกศิหรือสัตวทีวิหาริก็จะถามอุปชาว่าเนี่ยกรุณาบอกถึงขนทางแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วลูกศิษยก็าถามต่อไปว่าเนี่ยทําอย่างไรเนี่ยจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อาจารย์ก็จะตอบว่าอะไรนะช่วยเหลือผู้อื่นเหรอดูแลตัวเองก่อนสิแล้วลูกศิษยก็จะถามว่าจะดูแลตัวเองได้อย่างไร อาจารย์ก็จะตอบว่าเนี่ยก็ดูแลคนอื่นไงล่ะดูแลตัวเองด้วยการดูแ ล, แลคนอื่นอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าจัดนะว่าเมื่อรักษาตนก็ได้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ได้ชื่อว่ารักษาตนก็หมายความว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนี่ไม่ได้แยกกันถ้าเราองเป็นประโยชน์ตน อย่างแท้จริงมันก็นําไปสู่การบําเพ็ญประโยชน์ท่านถ้าเราบําเพ็ญประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงมันก็นําไปสู่การบําเพ็ญประโยชน์ตนบําเพ็ญประโยชน์ตนอย่างไรนะจึงเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ท่านก็คือการลดความเป็นแก่ตัวเสริมสร้างเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นมันก็นําไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นคนที่พัฒนาตนอย่างถึงที่สุดนี่ก็จะมีเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณนะ อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรเนี่ยจนทั่งหมดเส้นซึ่งความจิดมั่นในตัวตนสิ่งที่ตามมาก็คือทรงมีพระกรุณาอันไม่มีประมาณพุทธคุณที่สำคัญก็มีสองประการเท่านั้นแหละนะคือปัญญาคุณและกรุณาคุณเมื่อปัญญาคุณได้เจริญเต็มที่นะกรุณาคุณก็แผ่เผสารไม่มีประมาณ จาขณะเดียวกันเมื่อเราเมตตากรุณาช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นมันก็ช่วยลดความเป็นแกตัวในตัวเราแล้วก็มันก็ช่วยทําให้การพัฒนาตนเกิดขึ้นง่ายๆที่จริงในี่ยระ่างที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะมันก็มักจะป ร, ระสบอุปสรรคมีอุปสรรคมากมายเกิดความท้อแท้เกิดความขุนมัวเกิดความเครียด บางทีก็เกิดความผิดหวังไอ้สิ่งเหล่านี้นั่นเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องฝึกจิตถ้าเราฝึกสติฝึกขันติในตัวเรามากๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเมตตากรุณาได้มากขึ้นและขณะเดียวกันเมื่อเรามีเมตตากรุณาแล้วเจออุปสรรคต่างๆสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องฝึกจิตให้มีการพัฒนาคุณธรรมด้านในให้เจริญ ง, งอกงาม มันก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตนบำเพ็ญประโยชน์ตนควบคู่ไปกับการบำเพ็ญประโยชน์ท่านและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเมีเมตตากรุณาได้มากขึ้นเนี่ยขั้นพื้นฐานเลยนะคือการแผ่เมตตาเนี่ยการแผ่เมตตานี่มันก็เป็นเมตตาภาวนาแบบหนึ่งนะเราแผ่เมตตาอย่างที่เราทําเมื่อสักครู่เนี่ย ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดทอนความโกรธความขุ่นเคืองความเกลียดในใจเราทำให้เกิดความสงบเย็นและขณะเดียวกันมันก็ช่วยรดน้ำให้กับเมตตากรุณาใ น, ในใจเราอย่างที่บอกนะเมตตากรุณามันมีอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มันเหี่ยวเฉา หรือแครกเกลนเราก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำสม่ำเสมอ้ดยการแผ่เมตตาด้วยใจจริงอันนี้แผ่เมตตานีไม่พอนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นการทำจิตเราต้องลงมือทำกิจด้วยนะด้วยการให้ทานช่วยเหลือเกื้อกูลใน้สิ่งของด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจรวมทั้งด้วยการลงมืออันนี้เรียกว่าทานนะ พียาจาแล้วก็อัจจจริยาอัจจจริยานี่ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังสติปัญญาด้วยกำลังกายสมัยนี้เราก็เรียกว่าจิตอาสาหรือจิตอาสาก็เป็นส่วนหนึ่งของอัจจจริยาแต่ในการที่เราทำเนี่ยนะก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะเพราะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางเราทำแล้วก็อยากจะให้คนเขาเห็นความดีของเรา ทำแล้วอยากจะให้เขาสํานึกในบุญคุณของเราแบบนี้นี่มันก็มีโอกาสทุกได้ง่ายนะพอทําดีให้เขาช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราหรือเขาเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นหรือว่าบางทีเขาก็นอกจากไม่เห็นแล้วเขายังไม่สํานึกในบุญคุณของเราด้วยมันก็ทําให้ท้อหลายคนท้อไม่อยากช่วยเหลือใครเพราะ เห็นว่าเนี่ยทำแล้วขอมไม่สํานึกในบุญคุณของเราเลยเขอเห็นความดีของเราอันนี้เราว่าทําด้วยความยึดติดทําด้วยความคาดหวังแล้วถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะพ้อได้ง่ายความผิดหวังมันก็จะเป็นตัวบั่นทอนเมตตากรุณาทําให้พดหายไปงั้นถ้าเราอยากจะรับสาเมตตากรุณาหรือว่าดูแลให้งอกงามเนี่ยมันต้องรู้จักปล่อยวาง ด้วยนะทำดีก็ดีแล้วนะแต่ต้องปล่อยวางความคาดหวังหรือปล่อยวางผลสําเร็จนะบางทีทําแล้วเนี่ยมันไม่สําเร็จอย่างที่คิดก็ท้อท้อเลยเลิกทําให้แบบนี้ไม่ตากรุณาก็หดหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ยึดติดในความคาดหวังในผลสําเร็จมันไม่มันไม่สำเร็จก็ยังทําต่อไป เนะมตตากรุณาก็ได้รับการบารุงดูแลแต่ทํากันได้มันต้องมีมีสติด้วยเหมือนกันนะเพราะบางทีความเห็นแก่ตัวมันก็ชอบผุดชอบโผล่มาทาไปทำไมทำแล้วได้อะไรนะอย่าทำเลยนะถึงฉันไม่ทำคนถึงก็ทำเนี่ยมันก็มีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเป็นข้ออ้างให้เราเนี่ยฉเฉยเมยกับความทุกข์ยากของผู้คน ถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะเราก็ไอโดนความคิดหรือข้ออ้างเหล่านี้หลอกมันเป็นข้ออ้างของกิเลสของความเห็นงก่ตัวซึ่งก็มีในตัวเราเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสติน ะ, ะเราไม่เชื่อมันไม่หวั่นไหวไปกับเหตุผลหรือข้ออ้างเหล่านี้ก็ยังทําความดีต่อไปเห็นใครเดือดรอ้อนเราก็ช่วยถึงแม้ไม่มีใครช่วยเราก็ทําอย่างนี้มันก็เป็นการเสริมสร้างเมตตากรุณาให้เจริญ ง, งอก ง, งามแล้วถ้าเจริญ ง, งอก ง, งามมากเท่าไหร่นะมันไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้คนให้ มีความสุขเรายังก็พอมมีความสุขด้วยและต่อไปมันก็ช่วยส่งเสริมให้ความเพียรในตัวลดลงความยึดถือมากในตัวตนลดลดลงจิตก็พัฒนาขึ้นอันนี้เราว่าเราสามารถจะบําเพ็ญตนบำเป็นประโยชน์ตนได้ด้วยการนะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยการเสริมสร้างเมตตา ก, กรุณาให้เจริญขึ้นในใจอยู่นึงๆชาลิพพธนีนะเอากลับ